วันเลอกราช่วงเวลาที่ลำบากต้อมมีวันดุตินั้นธรรมยาตราก็นานมาถึงบทสุดท้ายไม่ว่าธรรมยาตราจะเป็นอะไรในความรู้สึกของเราเป็นงานเลี้ยงหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก ก็ปิดฉากลงแล้วความสุข ด, ดีๆที่เกิดตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีความสุขที่ได้พักในป่าที่สงบได้ยินเสียงน้ำไหลมาถูกชื่นใจ สนุกสนานกับเพื่อนหรือว่าเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยเมื่อลาสในระหว่างการเดิน เราประสบการณ์ไม่ว่าดีลลาหรือร้นั้ือลงตัหรือลบตะหวงเหตุกาที่ผ่นานมามันได้กลายเป็นรดีไปแล้วในะอีกบ้รานเราก็จะได้อยกจ้ายจากกัน ที่จะไปพบกับคนที่รักใคร่ชอบพอกันอันนี้ก็เป็นธรรมดานะของชีวิตนะมีพบก็มีพลานมีเจอก็มีจากก็หวังว่าการสิ้นสุดของธรรมยัตรามันเป็นเพียงการสิ้นสุด ของธรรมยัติราลุ่น้ํำลำปางเท้าครั้งที่18ส่วนธรรมยัตราในชีวิตจริงของเราเรากให้ดําเนินต่อไปเดินสำหรับบางคนต่อไปในจุเริ่มต้นสของธรรมยัตราในชีวิตจริงและหวังว่าการเดินธรรมยัตราเนี่ยนะจะทําให้เรา เป็นคนที่ใหม่กว่าเดิมใหม่กว่าตอนที่มาเริ่มเดินเกาน้าแรกกับพวกเราไม่ว่ามาเริ่มเดินวันที่หนึ่งหรือว่าวันไหนก็นตามอย่างที่ เ, เคยพูดไปแล้วว่าความร้อนเนี่ยนะ ธรรมญาติมันชื่นสุดเพียงแค่เชา้าที่ไม่ว่าปีหน้าจะมีธรรมญาตรารูปดน้มลำบากทาหรือไม่ก็มาให้ธรมรมญาติมันกลายเป็นส่วนหนึ่ของชีวิตเรา ก็ใช่เรื่องเหมนการเดินทางการเดินบนเส้นทางเกือบร้อยกิโลเมตร ถ้เราเดินตลอดเจ็ดวั น, นด้วยใจที่หมึดหมิดห่นโวยวายตีโพยตีพายเิ้ 45, เแต่สิ่งที่ไม่ใจแล้วก็เก็บอารมณ์ที่เครื่องแค้นหรือคุ่นเครือง ผ่อดครวนซึ่งก็หมายถึงว่าหาความสุขเป็นยากเราเด้นยากาศเก็าที่ผ่ า, า น, น, น, นมาจัางคนงในตัวไม่หมดแต่ความสบายขอยงตัวเองการจะมาช่วยมันก็จะเป็นอย่าง ซึ่งก็หมายความว่าเราจะเดินอย่างไร้เพื่อนไร้มิตรสหาทิทแท้จริงอย่างมากก็มีแต่พวกนะแต่ไม่มีเพื่อนแต่ถ้าเราเดินนะด้วยใจที่สงบยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นรู้ทันอาการของใจที่มันบนวมวาววายเตลุ่ยเตลิดไ กล่กายก็จริงแต่ว่าใจเป็นสุขหรือว่าน่าใจจะไม่เป็นสุขแต่ว่าก็ไม่เป็นทุกข์ุ้นเคลิงหมดหมิดรู้จกักหาความสุขท่ามกลางความยากลำบากําแม่ประสบทุกขย์ยง เพือเกือกูลนะกับเพื่อนร่วมทางคนที่เดจออย่างนั้นในในช่วงแต่ละปีผ่านมาการบบเดินทางของเราของเขาจะเป็นการเดินทางที่มออันยากที่จะพบกับความทุกข์ใจและอาจจะมีปัญหาต่าง ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ตามซึ่งที่เราเจอเจอตลอดเจวันที่ผ่านมามันก็เป็นาพจำองของสิ่งที่เราต้องไปพบในชีวิตข้างหน้าของเราไม่ว่าจะสั้นหรือยาวความร้อนความหนาวความเหนความเมื่อความท้อแท้ความจิตหลัง เองนี้เนี่ยนะเราไม่ได้เจอเฉพาะที่เจอในกรรมญาตาิตาแต่เราต้องเจอในชีวิตจริงของเราอย่างที่เราสวดมาสักครู่ว่าเราทั้งร้ายเป็นผู้ที่ทุความทุกอย่างเอาแล้วเปน็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องห น, าน้าเราเราที่เราเจอธรรมญาตาานินี่ สบายแดดไม่ร้อนทางก็รียบแต่บางวันแดดมันก็แรงกล้าหรือเกินทางก็ยาวไกลจุดทาก็มีน้อยรวมทั้งจะเป็นทางที่ฉันต้องไปโดยแนชีวิจริงเราก็เป็นอย่างนั้นแหละ เราจะไปปรารถนาว่าอให้ชี่ของฉันราบรื่นนะเหมือนกับเป็นถนนแปดเลนนะหรือว่าแถมยังโรยด้วยเปลี่ยนคุณลักซะด้วยไม่มีนะแดดกล้าที่จะมาแผดเผาเราทุกอย่างราบรื่นไปตลอดอันนี้มันเป็นความฝันมันไม่ใช่ จริงเรามันก็ไม่ต่างจากเส้นทางธรรมยาตตาตลอดจนันอาจจะหนัก่านั้ น, นสิและประสบการณ์ขึ้นลงใจมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าว่าเราวางใจถูกต้องแต่ก็อย่างที่เราได้ประสบนะแม้ข้ามจะลำบาก การบางเรือไม่ได้แต่ว่าพอวางใจใถูกต้องจจอจอบรับทุกอย่างที่เจอเจอยางอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจุดไม้จะไกลเส้นทางจะยาวแค่ไห น, นใจก็อยู่กับปัจจุบันมีสติมู่กับการ การมีสติเกี่กับการกระทำทุกอย่างถึงเวลาที่เจอประสบความยากลำบากก็กระตุกเอาส <c oughs> มาี่เอาความรู้สึกตัวมาช่วยก่อผู้ใจให้ทนจ่อความทุกความความขรุขรให้อยู่เหนือต่อความเจ็บความปวดทุกปุโรยธนาร์ไอ้สิ่งเหล่านี้นะมัน เราใช้กับการดำเนินชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีแต่เราทางานแเราก็ทำงานโดยมีสติมันจะเสร็จหรือไม่มันเป็นเรื่องข้างหน้าเมื่อไหรจะเสร็จนั่นก็เป็นเรื่องของนาคตใเราอยู่กับปัจจุบันการทำด้วยจิตที่ปล่อยวางวางก็คือวางความยิดบั่นและใน เป้าหมายในคนาสำเร็จในรางวัลที่พวกเขาเอาวิจารณ์ที่เกิดขึ้นและเฉพาะเพื่อว่าการทำงานจะเป็นเรื่องง่ายคือถ้าเราเรียนเราก็จะเรียนด้วยความสนุกในยกลายแต่ใจเป็นสุข ควาสุขมันม่ได้ขึ้นอยู่กับความสบายคนไปคิดว่าถ้าสบายแนละ้วถ้าจะสบายแล้วถึงจะเป็นสุขจริงบางคนที่สบายแต่ ใ, ใจไม่เป็นสุขเขาสบายกายแต่ ใ, ใจก็วิตกกังวลแต่พวกเรานะแม้ชีวิตในระหว่างเดินจะลําบากนะแต่ว่าใจเป็นสุขเราก็เคยจบเคยเจอเคยเจอมาแล้วอาจจะตลอด บนเวทแล้วก็เทคนิคที่เราใช้ในธรรมยาตราเนี่ยมันจะไปใช้กับชีวิตจริงของเราได้เป็นอย่างดีอาจจะต่างกันนิดหน่อยก็ต้องพว่าธรรมญาณตราเนี่ยเรามีเพื่อนนะที่คอเดียกับเราใจเดียกับเรามุุงหน้าไปในทางเดียวกับเรา ก็ส่วนใหญ่ก็มีความเพื่อเือแต่ว่าในชีวิจริง น, นะนะเกื่อนอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีไม่มากเราต้องเจอเจอคนที่ไม่น่ารักทำตัวน่าระหาใช้แก่ตัวบางทีเราจะพบว่าเราอยู่คนเดียวท่ามกลางคนที่คิดถึงแต่ตัวเองแต่นั่นก็ไม่สาคัญเท่าไหร่ ถ้าเกิดว่าเราดูจักจิตให้ดีท้ากจกล่ว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำย่อมนำสุขให้เกิดขึ้นจิตที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วเนี่ย ย, ออย่อมยังประโยชน์ให้กับเราในที่ที่พ่อแม่ก็ทาให้กับเราไม่ได้ดังการที่ชีวิตของเราเนี่ยนะครับ เรานี่ยบรรากาศเป็นธรรมญาตราได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยการฝึกจิตรักษาใจจมันดูแลจิตใจของเราจะให้อกุศลมาครอบนำการมีสติอยู่กับกิจต่างๆทำอะไรก็ก็รู้สึกตัวมีอะไรมากระทบใจก็รู้เท่าทันความคิด ยกานระอารม์ที่เกิดขึ้นอนี้เราจะช่วยได้มากตอนมีการฝึกจิตไว้ ด, ดีต้อง ส, สมาธิความความสุขตัวตัวขึ้นบ่อยถึงแม้เราจะห่างไกลจากเพื่อนนะที่รู้ใจนะห่างไกลจากเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อเรา แต่เราจะมีเคลื่อนที่สำคัญที่สุดนะก็คือตัวเราคือใจของเราคนเราถ้ารู้จักมีใจเป็นมิตรมีใจเป็นเพื่อนนะมันไม่มีคําว่าหนาวมันไม่มีความคําว่าอ้างวางโดดเดี่ยวไปที่ไหนใจก็เป็นสุ ข, ขอบขุนในทุกที่ ก็ไม่เคยขาดเพื่อนจาวันแรกๆเนี่ยนะวันแรกที่ทำมาออไฟเนี่ยก็ได้บอกแม่ว่าธรรมยากตาเอย่งเราไม่มีคนแปลกหน้านมีกันที่ชพ่รู้จักแล้วก็มีทิ่เพ่รู้จักที่สำคัญนะส่วนหลายคนซึ่งอาจจะไม่เคยรู้จักมิตชนิดนี้เลยมันก็คือใจของเรา ใจนี่แหละนะถ้าฝึกไว้ดีนะจะเป็นมิธิประเสริฐจะทำให้เราเป็นสุขได้ในทุกที่หลายคนก็มีมิมีใจเป็นมิตรมาตั้งแต่ก่อนเดินธ ร, รมยาตานะครับเดินธรรมยาตาย น, นเดินด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขหรืสอสงบละรอบตัวจอกระทึบแม้ก็ต้องเจอกับความเหนื่อยความลา้า เราก็สามารถพบสุขท่ามกลางความทุกข์พบความสงบท่ามกลางเสียงอุปจจเจ้าแจได้นี่เราก็มีใจเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเพื่อนและใจจะเป็นมิจฉาเราได้กพราะนั่มีธรรมะถือว่ามีการฝึกฝนไว้ในจนธรรมะนี้เข้ามาอารักขาคุ้มครองเมื่อจิตเรามีธรรมะนะ เป็นสิ่งเป็นเครื่องอลังขาเราก็จะมีความสุขนะได้ง่ายจะไปคาดหวังสิ่งเลยนะว่าจะช่วยทําให้เราเป็นสุขสิ่งที่ผู้คนคาดหวังกันส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ช่วยทําให้ใจเราเป็นสุขเต็มแทน่จริงสมัยที่หลวงปูดดู่และพราะว่าปัญโยนท่านยังมีชีวิตอยู่ วัาสแก่นยวิทยาลีคนมหาท่านเยอะก็เขาช่ว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ยที่มีความคลั่งครามสักดิ์ก็มีผู้ชายมาบวชที่วัาสมแก่บวนในลานแล้วก็บวถึงวันศัดิ์สิทแล้วเ้าก็มาหาหลวงพงษให้ช่วยพรมน้ำมนต์ให้จะได้เกิดสิริมงคล รว่างที่หลวงปู่พรงน้ำบนนี่เขาก็หลักตาแล้วก็อธิถนต์ิใจขอให้ร่ำรวยมาหาศาลลับผลพูนทุวีมีกินมีใช้ไม่หมดจะได้มีเงินมาทำบุญบ้างพอเขาลุมตาขึ้นก็เห็นหลวงปู่โูเนี่ยมองตาเขาจ้องมองแล้วก็พูดขึ้นมาว่า ที่ท่านคิดให้นะมันยังต่ำนะคิดให้สูงเข้าไว้แล้วทุกอย่างมันจะมาเองใช่คน น, นั้นเอพาลุนนั่งมงเลยรนะ่ำรวยรู้ได้ไงรู้อำกินอะไรที่อาจาพูดจะสำคัญนะไอ้ร่ำรวยมหาศาลนะรากผลปูนดีพวกนี้เนี่ย น, นะน่าจะมีกินมีใช้ไม่หมดมันก็ไม่ได้ทำให้ มันเนี่ยเป็นของประเสริฐสูงสุด ข, ของชีวิตเพราะมันไม่ได้ทำให้มีความสุขแบบแท้จริงบูตุท่านก็อยากจะให้เขาปรารถนาสิ่งที่สูงกว่านั้นก็คือธรรมะนั่นแหละพูดสั้นๆถ้าเคยมีคนถามบูดูอีกบหมือนกันว่าเนี่ยหลวงปู่ขอธรรมะสั้นๆเกี่ยวกวิธีปฏิบัติที่จะทําให้ หมดโลกโปรดหลงไวๆท่านะนก็สนองให้สมใจเนี่ยสติครั้เดียวแล่สติเนะี่ยมันช่วยรักขาจิต น, นะครับให้ความทุกข์ต่างๆเนี่ยก็มากรอบ ง, งํำไม่ได้แม้จะต้องเจอกระทบแม้จะเจอสิ่งที่มากระทบที่มันเผ็ดมันแสบมันร้อนทำต่อว่ า, าดาทอความ ไม่สมหวังความความไม่สําเร็จความร่มเลี้ยในชีวิตอะในการงานพวกเหล่านี้เนี่ยมันมากระทบแต่ว่าไม่ทําให้ใจเรากระเทือนหรือวันไห ว, นะพวเพราะว่ามีสติเกิดอึ้นมารับขาและสตินี่ก็เป็นหนึ่งในธรรมะอีกบางมายนะที่จะช่วยทําให้ใจเรานเนี่ยกลายเป็นเจิตที่อ่อนโยน เป็นวิธีแท้จริงของเราและจะช่วยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะมันเป็นธรรมญาติาอย่างแท้จริงไม่ทําให้เส้นทางช่วงรวลา เ, าเนีเป็นเส้นทางที่พาเราสู่จุดที่สูงขึ้ น, นเรื่อยๆสูงขึ้นแต่ไม่ได้สูงขึ้นในทางอํานาจวาสนาหรือสถานนะนันเะป็นเะรื่องทางโลกนะแต่ว่าสูงขึ้นในทางจิตใจ สามารถจะมองโลกได้อย่างกว้ า, างไกลเหมือ น, <จะ S 2> นกับที่เร า, าเห็นตอนอยู่ผานชีวิตหลังมีใจที่ความขวางปลอดโปรงแล้วก็สงบเย็นธาตในชุดเสียงเราจะสามารถจะนำพาเราไปสู่ภาวะเช่นนั้นได้ไม่ว่าเราจะ ร่ำรวยหรือว่ายักจนแต่จะว่าไปรล้สำหรับคนที่เรามีธรรมญาตตามเนี่ยเป็นเส้นทางชีวิตเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าจนเขาจะรู้สึกว่ารวยตลอดเวลาแม้คนข้างนอกจะมองว่าจนไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะเราก็จะมีความสุขและสามารถจะบำเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ เรียกว่าพข้าถึงชีวิตที่เป็นปกติก็คือสมบเย็ น, ะนยและเป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนะี่ยธรรมยาตาเนี่ยนะขออย่าให้ยุติเพียงเท่านี้ถ้ามันยุติแต่เพียงแค่ธรรมยตาตาข้างที่ส8แปดส่วนเราแต่ละคนนะก็เลื่ อ, อนคงสารต่อธรรมยถาตาหยุดยาวต่อไป แลไม่ใช่เพียงแค่เพื่อให้ใจของเราเป็นสุขที่ของเราผลงานเท่านั้นจะไปช่วยเหลือธรรมชาติที่มันไม่ขึ้นเรามาจะรู้ว่าเรามาเนี่ยก็เพื่อช่วยกัน ร, รักษาป่าช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติอันนี้ก็เป็นภารกิจของเรา ที่ได้คุยไอชีขเราจนไปย่ก็คอชีวิตออนนนว เ, วเปลี่ยนธรรมชาติตอยที่สุดและถ้าเป็นไปได้ก็ทุนเทอร์แรงกายแลงใจเพื่อให้โรงนี้มันดีขึ้นทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อมนบย์ลุใอสังคม การมีาม่าอยากสาธีนี้นะก็แปลว่ามีผู้มาร่วมเนี่ยอย่างคับคับแล้วก็ด้วยใจที่จริงจังกับการเดินปกติเน่พอถึงวันท้ายเนี่ยถ้าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนน้อยแต่ว่าธรามยาศาธปตนี้เนะี่ยลักษณะเนปะ็นเองไงคือว่า ที่มาร่วมตั้งแต่วันแรกจนมาสุดท้ายเนี่ยเยอมาแล้วก็จำนวนก็ไม่ค่อยตกลงไปเท่าไหร่น่าจะผ่านวันจุดวันเสาร์อาทิตย์ยแ้วก็ยังมีคนมาเดินกันอย่างมากมายแล้วที่พิเศษอีกอย่างนึงคือว่ามีเ็กเล็กๆเยอะปีที่เราก็นำไปเยอะแล้วปีนี้ก็เยอะกว่าที่แล้ว mm hmm. นะก็ต้อง เด็กหล่านี้ก็เป็นสีสันของธรรมญาตราแต่ททำให้ธรรมญาจารย์เด็นเส ม, มือนตัวแทนของโลกโลกของคนของเราเนี่ยมันก็มีคนหลายว้ไม่ใช่มีแต่ผู้ใหญ่นะก็มีเด็กต้องขอบคุณนะแล้วก็ต้องขอชื่นชมพ่อแม่นะที่กล้านะพาลูกมา ส่วนใหญ่พ่อแม่จะกลัวลูกลําบากในสมัยนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนที่พ่อแม่ไม่เคยกลัวลูกลําบากเท่าไหรนะ่เลสมัยก่อนต่อมานี่ก็เด็กๆก็ต้องนํางรถเมล์ไปโรงเรียนเองพ่อแม่ก็ต้องร้อนใจกล้ามากแต่สมัยนี้พ่อแม่ก็จะห่วงลูกแล้วก็เป็นห่วลูกมากกลัวลูกลําบากในลูก อายุยืนสุดแล้วก็ยังไม่อยากจะให้มาจนธรรมยาตาก็มีกลัวว่าจะหนาวกัวจะร้อนแต่แล้วพวกเราที่เป็นพ่อแม่เนี่ยได้ว่าก็ที่จะให้ลูกมาเจอความยากลําบากซึ่งก็ต้องอาศัยใจที่เป็นอุปแบบขาดอ่แต่ไม่ใช่แค่เมตตาเท่านั้นก็คือว่ายอมให้ลูกลําบากบ้างเพอคะเราเ้า เราไม่รู้มีโครงตุกมีโครงท่าใดมาด้วยแล้วก็ถ้าธรรมยาณตายจะมีต่อไปก็หวังว่าเราจะาได้เห็นหนุ่มๆพ่อแม่ที่ยักลูกนะในลักษณะนี้บ้างมากเกินเรื่อยแน่จะทำให้ตัวนี้เหนื่นอยกว่าเดิมจะต้องดูแลวันจุก็ต้องปุ่ง บางทีก็ต้องรองต้องหาอะไรมาล่อลองให้ลูกนิร้องก็ไม่ใช่ง่ายบางมีการดูแลลูกที่บ้านจังง่ายกว่าก็ต้องขอชื่นชมบางที่ก็ขอเยื่อชมพวกเราทั้งหมดนะครับเพราะว่าการที่เราแต่ละคนมาอยู่ที่นี่ได้มันไม่ใช่เป็แบบเราคนเดียวแต่เป็นเพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยเป็นคนละไม้คนละมืออย่างา ง, างที่อาอตมาได้ยกพรสิทธิของชาวแอฟริกันว่าเนี่ยถ้าอยากไปเร็วก็เดินคนเดียวยแต่ถ้าอยากาไปไกลไกลนะก็ต้องมาเดินร่วมกัน ความสำเร็จของเราแต่ับคนเนี่ยนะมันมีผู้คนอยู่เบื้องหลังมากมายเดินมตั้งแต่ผู้ที่ร่วมเดินทางไปกับเรานะที่คอยช่วยเดลเตือนจูนเราไปทางแต่ลทางรวมทั้งเป็นกาลังใจแต่ที่จริงก็ยังมีอีกมากกว่านั้นนะที่ทำให้การเดินทางของเรามาจนถึงวันนี้ได้เช่นพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายที่ตามติดเรามา รวมทั้งที่ดูแลเราในระหว่างทางตามบ้า น, นต่างๆหรือว่าคนที่คอยส่งน้ำส่งอาหารมาช่วยเราตนะามเส้นทางตามระยะระยะตลอดเจ็วันมี้บุมากมายนะที่เขาไม่ได้แสดงตัวนะแต่ว่าเขาส่งกำลังมาช่วยเรา เรื่บ้างยาบ้างอาหารต้างเสื้อผ้าบ้าต้นไม้บ้างผิกมากมายหรื อ, อยาเป็นหมดแล้ความสําเร็จของเราท่านพี่ท่านใช้คําดีนะในการเดินธรรมยัติารเนี่ยมันก็เหมือนกับยอดภูขันน้ำแข็งนะตูขันน้ำแข็งเนี่ยมันโพอมันพอมาแค่ส่วนเดียวอีกสิบส่วนเนี่ยมันอยู่ใตท้ทะเลมองไม่เห็นแต่ว่ามันมีปริมาณเยอะกว่าส่วน เราจะซึมมองเห็นได้จากถ่ายททอย่างที่เราเห็นเนเป็นรูปไปทาขนานี้นนะ่มันมีเบื้องหลังนะอยู่มากมายเนะรียกว่าเป็นซิกเทานะของทีง่ตอนนีนะ้หรือมากกว่านั้นก็ได้นะก็ขอให้เรานะขอบคุณพวกเรานั้นแล้วก็อย่าลืมว่าชีวิอของเรานะไม่ใช่แคนะ่ทำใบดาบตาชอของเรา ตั้งแต่เกิดนะจนกระทั่งถึงวาระสุดทายของชีวิตนี้มันก็จะมีผู้คนอยู่เรนะื่องรามาดูตลอดไม่ใช่ผู้คนอย่นนางเดียวแต่รวถึงธรรมชาติและร้อมถึงสาราษัรทั้งหลายเขาสุณทิตร่างกายก็ให้เป็นเลืออเป็นเลือของเราร่างกายเราถูกพนุนะมันก็มาจาก สิ่งสารสัตว์ชีวิตทั้งหลายรวมทั้งต้นไม้ปรใช่แค่พื้พนฐานทันยาตตนต้นไม้ป่าเขาต่างช่วยกักนสารก่อนเป็นร่างของเราต้องได้จนะับความรู้วิชาแล้วก็ธรรมะนั่นเอ เราได้ก็จากความเพ้อเพ้อเกื้อคุนของกิลยนนี้มากมายไม่ใช่แค่ครูบาอาจารย์เท่านั้นขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยความสำนึกในสิ่ ง, งนั้นที่เสมอว่าที่เราสุขอยู่ได้ทุกวันนี้หรือยังมีความปกติสุขที่รวมหายใจหรือพร่มมกมีผู้คนและสิ่ ง, งต่างๆมากมายที ว, ยว่าโลกทั้งโลกเนี่ยคนะอยช่วยเราสนับสนุนเราอยู่เบื้องหลังเรา ก็ขอสรรเสริญญบุญคุณแล้วก็ใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็ตอบแทนนะบุญคุณะของบุคคลและเสรีน้อม น, นั้นแม้ว่าชีวิตเขาจะหาไม่แล้วก็ตามอันนี้ก็นวันใหม่แลก็กำลังจะเริ่มต้นนะก็อขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินธรรมยถ า, านะของเราในชีวิตจริงด้วย แลก็พคกเวลาขอจิตติเรืองตรงนี้นรับรองพอด